ตัวสมาสมุท萨คตรทางสรังคชาอามิทำมังสระังคชาอามิสังางสรังคชามิถุกียามปีุทงสระังคชามิ ติยามปีธรรมังสระนังคาชาอามถูิยามปีสร้างขังสระนังคาชาอามตติยามปีผุทงสระังคชาอามตติยามปีธรรมังสระนังคชาามตติยามปีสร้างขังสระนังคชาาเอตังพุทธนาซานันเตติเข้าลืมเข้า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 นาทิพ์ข่อยเสียกพระจันท ห, หมอรเกิดลูกเป็นเดาให้ลูกอย่างนี้สิชาไทยของเรานะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าอายุ60สิพระราชบุตรงเก้าชดสามพระองค์จึงเบ็ดบุญพุทนนั่นถ้าบาเอาขวอยเสี่หก็เกิดมาได พระอาทิตย์พระจันทร์จะออกปเป็นดาวนั่นนอกกว่านั้นอีกพระเจ้าไกเซอรอเมียเข้าได้เก้าคนผู้สายแปดรวมมดสี่ร้อยคนจเมืดบุญนี่ล่ะให้รู้จักอย่างนี้วันเทศหมายพระอาทิตย์วันจันทร์หมายพระจันทร์วันอังคารลาหู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 ทัลนีพระพุทธเจ้าเรือพุทธธรรมตากราขวาพระพุทธเจ้าทำมังหูพระธรรมสร้างครรมดูดังพระสเลยมันเกิดจากต้นไม้เพนั้นทุกเรื่องพุทธธรรมตากรามสายนี่พระพุทธเจ้าทุกที่ยังเป็นมังหูกํายเป็นพระธรรมทุกเรียมงสร้างธร จมูกก็ั้นสงสงตาที่เป็นพุทธังปากเป็นพุทธเจ้าตาที่ยังเป็นสมองเลี้ยเป็นพระธรรมตะที่ในในใมันะ น, น, นได้ไงตีไก่เกิดจากไม่ซักน่ะนั่นคนยายเกิดจากไม่ไผ่เฮงไงยังออกมาถ้าบาุรุษใหญ่เนี่ยมันไม่รู้นะมีแล้วนะ่มวนะมันมามีมาจากต้นไม้คุณ มาเกิดจากหนี่ไม่หวานานี่โบราณนะยี่สปีเป็นภาษาไทยภาษาลาวอ่ะสาวปีเต็มสดรักกันชอบกันเหมือนนังทุกวันนี่แหละไว้เป็นผัวเป็นเมียกันเวลาว่าอะไรยึดถีการบิดสอนควายมันกันมัวมันกัน่นนะ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 คุณพ่อก็เลี้ยเอาลูกผู้ชายอย่างงัวนี่คุณแม่ก็เลี้ยเอาลูกผู้หญิงนั่นนี่ล่ะมี่อีบเปย์สลูอ้ายงัวอื่งงวนเลี้ยเอาอย่เดียวแล้วล่ะลูกผู้ชายกับพ่อเลี้ยแม่ยิงก็แม่เลี้ยนั่นเปย์ขามเหมือนกันซัวยิงกระไซสลูกับยิงกระาซ ขาหิงกับไส้ทาอยิงกับใสมาล้มหิงกับใสมาเส็งหิงกับใสมาเมียมายิงกับไสยมาแม่แพหิงกับไส้ลากกาไกหิงกับใสยวอกเลิ้ยงกับใกไ้อจหมาหิงกับใส้โนสอห น, นหมูนะลูกคนพ่อเซบสองคนนี่ไข่เสือกนะ ลูกคุณแม่1ซหสองีไห้เนาะเยอกกันมาจนถึงชุกงวันนี้ใครจะเทศนีไม่มีหรอกนี่ลกตาจากตั้งให้นี่แหละเวสวกู้กันห้าสั่วคนยังกินเด็ดอยู่กินข้าวกับกินเด็ดกินปลากินเด็ดมาถึงหกสั่วคนแล้วมีปัญญาจะกินข้าวก็กินไฟเอาไฟมก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 เราก็มาสร้างกุดนีน้ำบอ่อต่อสาลูพระเจ้าในบนพระพุทธเจ้าปังกอนขึ้นขาพระพุทธเจ้าต่าหลังขึ้นว่าพันเตพรคดุรักีวาขาพระพุทธเจ้าลัษีขเจ้าข้าพเลัีวาขเจ้าข้าพระเจ้าวาพรุทธเจ้าข้าพเจ้าลักสทธเจพระาีวายคพุเจ้าข้าพระเจ้าลักษีวายาุทธ้ากีุดัีสบาพุทโกพทธหมิ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 เจ้าธิปังกรหัสตสติหัตสติแต่ว่าหัวนั่นหัวอะไรหัวขวัญฤ้ษี้าบาเอาดอกบวัวนี่มันจะเป็นผูนิเจ้าแต่ในรับเอาดอกบวัวดอกหนึ่งถวายพระเจ้าธิปังกรดอกหนึ่งถงวายพระเจ้าปังกรททำนายว่าพวกโจรมิ่ไปภายหน้า เก้าเซฟแอสกับจงจะได้เป็นผู้เิีเจ้าใส่โคจม้องค์หนึ่งนานักดูโอกด่ใจฮันนี่เมื่อละศีตายไปเข้าหียนกงงึนปัญ่ะพวกโทชมูมันบูรจักั น, นไปเข้าหีนกงงึงเนียงเหียนกนี่เมืาาม่อพระราชาเสีนมันบ่เนี่นั่น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 เขาจับมา ไ, ได้นีธรรมมนุษย์ศาสตร์ ม, มาจังรู้จักเฮ้ยไม่ยากหรอกจิงไปซ่อกเอาไข่นกนุงมาให้ไก่ฟักเตอเตืนนกนุงตัวแม่นั่เอาไปตั้งฮันนี่เจ้าว่าคาถานกนุงตัวนแม่ยาจานุสระเนี่าอันพิ่ตัวผัวยาเชนุโฟดลูกยาคันเองนั่นเมื่อนกนุงเตือนแม่มาไปห้อง เมื่อท่านจะไปหาอาหารนามาโตโพธนังนามาโโพเทญา น, นามาโพธนังข้าต่อพระพธเจ้ามเมงินคุณนามาโตโพธญาขา้พาก่บพระพเทญานงนงนั่นเมือ่อนกยุงตัวเมียหอกไม่ได้ตั้งบวงยัขานี่บ้วงยขาตายกุณั เขาจะฆ่าแก่กินลัถธอทำงานว่านกนุงตัวนี้เป็นโพธิชัดจังไม่ปล่อยไปอันนี้วะจินมาเต็นสูตรวะโอเทนจาอย่างจ้าโกมาเอกาลาซาเงินนวลอเมริกัน เ, ยเลยสูตรไทยเลยนะไปไหว้แขกคนนั่นปร่ทันคนขเขาเป็นนกนุ่งนะหกเชฟเสือชันะนั่นแต่เป็น ส, สัตว์มีละ่ะ เรียกบริษัทภูทรธโมชาโคนตายจะนุงงแล้วเป็นนกทั้งหลายตั้งแต่แห้งเผือกมาเถ็นกาเผือกจนเป็นนกคุมไฟนกคุมไฟท่าตุนนุวันเกิดขึ้นมาแล้วไฟไม่ป่าพ่อแม่หนีจังสุกกระสานเฮเลออตตับปะสซมปันนาสุกาธรมมาฮิตาจันตุ สัพพุลิซารุเกเทเวาธรรมมาจุปเจริยสตัตยบาคามาตาปิตาพ่อหนีเมื่พราะสดอันนี้แล้วปากาศาธาจาพุ่มมาทธาเทวนาคังฮิสกาเทวดาทำน้ำฝนตกไฟจะดับไปเหตุนั้นเมื่อเป็นอรหันต์แล้วจึงเอาธาตุไว้ธาตุคุมนี่หัว <ok> อกโลยขวากัมขวาเซิดสองกําซ้ายซิดสองนี่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 ตายห้แล้วชัดสีขามีสาบกระโดดตัดต่หนูเฟือกช่าง น, นั้นนี่เขาโดนลูกกระแนี่วางอุตรดิตกับพิษุโลกนี่ลวตาไปเห็นเขาห้อยพุน่นี่ห้อย น, นล่พาไล่ขาขนาะเป็นชัก เ, เป็นน่บวรันชักเผือกชังกระฉันขนาดไม่ใช่มีเมืองเขาเลยเมื่อไทยนี่ชัดบมีขา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 ตายแล้วเกิดอีกเด็มกมับปนพมลรอดเมื่อหลังกาไม่มีเมียตายแล้วเกิดอีกปัญญาปรามีมโหสถดอุเชมาพระมีเมียมีลูกสี่ยิงสองใช่สองเวริ ย, ยาปนิไทยเงี้ยวมีลูกดังมนุษย์นี่ละลูกสี่คนขันสีแกวใบได้เป็นพระเจ้าดิน ชาะจกปรมีกรุงสุโขทยัยอันนี้ก็แบบมีเมียอธิษฐานปรมีมั่งอ่านว่มมมม า, ามีเมียเมตตาปรมีม้อนหงสานมีเมียอุปเปขาตันีบิดาพักนี่หละหัวใจศาสนาทำให้จะพูดเอ ก, กเเอพุทธะกเปนะมนนเสเอกตันพุทธศาสนาติ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 ครามที่ถือทิดก็ด่ า, าพรามณ์ที่ชือจันพราหมามถือจันด่าอาคารด่าพุทธด่าพระจนหลอกกมีชุวันนี่จาเป็นความคิดปลอดกันมาหนะนัะ่นวันชิดบูดีวันจันดีอาคารบู ด, ดีดีพระชิด บ, บุรีด่าแม่เขาหนาะมันหาด่าพระชิดนะนี่ด่ามันมีอาหานีดกข้ามหนึ่งสร้างแก้วขึ้นสู่ภาษาธรรมน่ะคิดว่าอะไรนี่น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 เสคั่ไม่ดีจักยอดเสื้สามค่มเเวลาสุนผูเสื้สี่คั่มของชตูปุฆาเสื้ห้าคั่ถูกแม่มาหลวงเต้าเท่ากุตามชักใสเพ้่อโมหานของขอนคนลักไน้บ้เสียมันเป็นมาอย่างนี้ละพาเชิดดนงเดียวนะเป็นเจ๊เชื่นะครับวันเทิไปพุพัลก้ามวันจันก็พาเทศดนะ ค้าหนึ่งกาิดเงากาบมาทีสองมันจันผ้าจันอะไรนะพรนะอาทิตย์เปากาบที่สามมันอาคารอาคารอะไรผ้าชิดเอาตาเราดูซิที่สี่มันพูดเบื่อไมพูดผาชิดนี่ละข้าหนึ่งกอเทิดสองกอดทศดสามกอดทิดสี่กอทิอันนี้รักพูดการรักทำข้ามหนึ่งทิดสองสัตว์จันสามอาคารนั่นๆนี่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 มาตั้งปาหินมพานมาตั้งกลุงเทวทหเกิดพทษพานขึ้นขอโทษลืมมอบบ้านเมียงให้เมียน้อยแม่หลวงเครียดหนีไปตั้งเมืองใหม่เนั้นทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะท่านได้เมียสองอสามเอาล่ะเป็นลักเลียนเมียน้อย น, น, นี่ล่ะอันนี้มันเปนมาถ้าพูเจเียตา เลือกยังดังอย่างนั้นชอบเนี่ยน้อยมอบบ้านเมืองให้แน่น้อยแม่หลวงเพลิใจหนีออกตุง้งเทวะไปตั้งกับบิลพัฒนนั่นกับบิลพัฒน์นี่ยพรทจิเจ้าของเราเสด็จสมบูรณ์พระสัตร์รับไปราชสีแม่หลวงพกแม่ไปเล่าอาการที่ผัวเอาบ้านเมืองให้เน่น้อยพระราชสีะทานให้จ้ะ อิมานี่พัตตาเนี่พัดที่หนึ่งะสลาพัดที่สองก็น้ำโบพัดที่สามถึงพาศัยนี่และอมาเป็นทันอิมานี่พัตตาเนี่นะพัตตาหัวแจ๊นนะาขึ้นพัตตาเข้ากับพัตตาเส้นกับพัตตาพักกับพัตตาพัตตานี่เท่าตาเห็นก่อน แต่ตาบไรไิเกินมันพัดลล่นเลยเอาลล่นกินได้ไนเนี่ยนีมานี่พัดตานี่เพราะว่าสังกษัสนีน่ะตาที่ใหญ่นี่ยเอาเสกกรรมิละพัดขอโทษตั้งแต่วงพระเจ้าอุกฤกษเป็นโคกันแปดหมืนพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสายอื่นป้าผู้ลเพ่ยไอ่เอาน้องสาวเพ่อันแปดหมื่นมันเตินเหตุขึ้น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 ดูไรจะฆ่าซักก็ฆ่าฆ่าควายก็ฆ่าฆ่างัวก็ฆ่ารุนเรี้ยวรุนแรายลบกันไม่ใช่น้อยนะอัวรับมึงเม่น่าศาสนากว่าไหร่กันาลั่งเศษฆ่าอังกฤษอังกฤษฆ่ากันเดียน่ะยังปลอดภัยแต่ไทยเขาปานนเกือบจะบุดีไทยห้องอะไรอันแรกในก็ะไรนั่นอันนี้พามพุทธบตรบถ้าเวลาเนี่บบพุตายเหี้ย เดี๋ยวนี้อาศัยพุทธนะบรบผู้ไร้แตะไปแตะมาอันนี้ลหละฆ่ากันเส้นน้นอยู่ท่านนี้เมื่อตอนมืดนอกเมื่อพระเจ้าจะลงมาเกิดนะครับธมมาปาลิราช า, าเทวาข้ามหาพมลงมาเกิดเมืองกัมพิชพ ใส่เื้อพระเจ้าสดทูธนะพมมาปโลหิตาเทวานางพมลงมาเกิดใส่สื้อพระเจ้าสีมหาวิามหาพมมาเทวาตัวพระองลงมาเกิดพ่อก็อพูดแม่ก็พูดพระองค์ก็พูออพดข้าวท้องแม่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 เอาหน้าใช้กระดูกหลังของแม่ส่วนพุทธเจ้าคัตสมาธิช้อนกันเนี่ยเดือนฮกถึงวันพุธไปชนดอกไม้ไปคล อ, อ, อดลูกให้พญามหาหมาดเอาผ้าปูมีดพระนางเจ้าก็สเสด็จออกตึงหน้าบัวลผ า, พ, าพระราุตร์เช็จออก เ, เกกกจิดเจ้าจริง บาไทยวะพระอุเชนเดชพระนครขีพดจะมาเสื่อนะในขับภีรมหาตีฐานาปรัมีอ น, นิสงฆ์าทรรมานเป็นเรือศตละเป็นศาสรที่หนึ่งศีปลปรมีอ น, นิสง์รักษาศีลปุริทัดเป็นศาสที่สองเนคมปาปรมมีพไมรอดที่สามปัญญาปรมมีที่สี่วิริยะที่ห้าขันตีที่หก สตย์ประพมิทิเจตนี่เสด็จเด็ดเดก้าตืนนั่นเป็นมาอย่างนี้เหรอเสด็จเจดเก้าตืนอ่ะคุณนายตามยกมือขึ้นทามมาซาวานากาลวัวอายามผ่าท่านตาลูกยายบินได้ลูกกูได้เฮยเฮเฮยก็หอนน่นเฮ้ก็ ฮะนั่นนั่นนั่นเรื่เสียงดังไปถึงก บ, บิลพัทพะเจ้าสุทิธนให้อมาตมาอมาตมาสี่พันนางไม่ซื้มาแต่พระองค์ไม่ได้มาพยามาหาหมา ก, ก็อุ้มเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นเกวียนลิกนี้เมื่อวานนี่จะเก่าไปจะเกียนอ่ะเสดีมาตัวยังมาหรอพราจปาติมาตัว เปลาใช่โยอยุ้มโคยชยงโพธิมันเดปะโมสิชยยท้ายอยินทขันนาชโยใชยโยนี่ความแห่พระโพธิสัตว์ขั้นไปถึงพระราชวั์แล้วถ้าเจ้าทศนาก็อุ้มเอาลูกขึ้นได้ในอุคมัมมาเหสก็อุ้มเอาพระนม่เจ้าไปในอุคัม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 พระเจ้าสุณนะเอานางโคตมีเลี้ยงแล้วก็ได้ลกสามคนผู้ชายหนึ่งแม่หญิงสองรักษอมาใส่เสื่อเจ้าศิษตาศิษฐ์พุถะกาดาบทอัลามโคตมาแล้วก็พระเจ้าชุดตัวไปใบพระรัศมีก็ใส่นามาเจ้าศิษฐาเจ้าศิษฐานะนีะ่แรักษาให้พระนาม พระฤสีาาเป็นไข้าถามเป็นไหวเอธรรมเตพูเทรัตานังปณิฏังเอเตนาซาตนาสุวะทิหุนตุกาบลงเอธรรมเตธรรมเมยรัตตานังปณิฏังเอเตนาสานาสุทิหุนตุกาบลงที่สอง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 มหาปุริสะฝาติมเป็นกงจับ้าบือเป็นเ บ, บน็กบวชอาศัยปัญญาหนุยพยัญชนะพเมนะเมื่อส่างเป็นเด็กน้อยจะเรียนพนยัญชนะอินเดียให้สำเนาอักษรถาดเมื่อบวชแล้วจะเทวนาระเขียนพนยัญชนะใส้ด้วยเทวงเล่ น, น, น, น, นอักษรสัพ กอไก่กแก้วขั้นแล้วหมวนใจกอไก่กผู้แดงนอนซาแของอยู่บนต้นไม้กอไก่ดำไอ้ถือคำข้าวซอกกอไก่กเหลืองเชียงเมืองข้าวซ อ, ขอขกคอไข่ไก่ผู้ใหญ่เข้ากินขอขวดแหล้าขอขวดขอไข่ไก่ผู้ใหญ่เข้ากิน ขอไข่ขานางสาวไทยเขาสอบขอขวดเตาคนเต่าเช่ากินอหไละเม้า ข, อข้อควายน้ำชอบการแม่งแค่ข้อละครั้งตัดำเงาง้องูเห่ากินเต่ากินปาง้องูสาจินกอกกินเหนี้ยบาศรษเศษ มัตะโกตจะอยู่ในขาสร้างได้เมี่ยไม่ห้างก็ะดะสร้างสามเสือสาวแม่หม้ควายสามตัวคนคาสาวในห้างสามสร้างจันดอมห้างดอกปนานสาวห้อยกรบะปานห้างดอกแกว้แวแมวจะาหาผู้ดีสาวสีสะใจข้าหาลา้มาจังกระวั้า เนี่ยพูดยิ่งยิ่งพูดใช้กับเป็นมาพราอินทรฟ้ามาเป็นโลกายถ้าหักธรรมทั้งหลายเกิดเป็นยาชนั้นเมรัฐธรรมะณวาโรอุตตระธมรนะภานะจะเทศธรรมกัปการสมั ญ, ญอินมุตโตอัตมาภาพเอิดเกินสมัยอัศว์อัสู์น้ำศรศกสสเสียดายเนาะ มนุษย์เกิดไม่ชาตนาของึ้นจะได้ทำกประการมีละถวายพระพรบอกที่พระราชาศาสนาแต่พระองค์กน็นอนอยู่เพราะเป็นทั่าะเล็กเดือนทุกเที่ยงวันพุทธแรกดาขวัญอัญเชิญไปมาไปไหว้ี่ตุนในโพธิเงาไหวทั้งหลายบ่ายเงาไว้มาไหวที่ไว้พุิบไม่บ่ายนี่โปกรมก็วไหว พปฒนเล็กกเรื่องใหญ่ขึ้นทุกทีทุกดืนทุกวันแต่เรียนิษศาติอาจารย์มึงฆ่านืหน้าไหมหันิษู์ปัจจุบันนะดิศาสต่์ยัไงเฮิดเลยเฟรดลยเฟรอวเห็ดเยอรเบนั่นดิษศาสตร์สอนลดส่วนอเมริกาไม่กระเทือ วิชาที่สามไปแทนมาแทนฝลังเศสวิาที่สโซเวียตัตว์ลี้ยงดัชเชียนวิาที่ห้าอังกฤษนิริตวิชาที่หกเชียงคายเซ็กวิชาที่เจ็ดอาตโตโยนีปุ่มนั่นวิศาปัจจุบนนี่ละก้าวไปสูนคร อาพีเศษกลางลาทาตรานังให้ปุถุพเจ้าดูหวัวอานิสงฆ์ท่านะบาลามีท่านสลุยได้อมามัดหมืนสี่พันพระองค์อานิสงฆ์ท่านลูกสาวนั่นกันหาออกบวชได้นา่งที่คุณี้สามแสนสิบล้านอานิสงฆ์ท่านอีห น, นาามาที่ได้หกหมืนสี่พันนันนี่อานิสงฆ์เป็นอย่างนั้น ยี่สิบบาทตีได้ลูกคนหนึ่งวุดเพื่อฆ่าถ้ำกรรมฐานบั้นเปรียบขึ้นนล่วใต้ไส่รอดใต้แม่ขอนเจ็บแทนขาไส่กระดิ่งแบบป้ากุ๊กนี่ใช่เช่นไงไส้กระเเสแบบป้ากุ๊กลาวไส่กับมือบบป้ารุ๊กนี่ไก่เห็นข้าวสารไก่ไม่กินข้าวสารขยะเงาเบาเห็นเช้าไม่พูดกูโง่ พุทแล้วเป็นพุทธเป็นพันฐานะมันมีเป็นพุทธกิจกใจนะเสื้อละเป็นพุทกิจกใจนี่ล่ะจึงไปเห็นคุณนายนอนอยู่กับลูกลาหูลาหูหนั่นลาคือพระจันมราหูคือนอนลูกก็ลาลาหูน่ะอแอั เป็นเข้าอยู่กันแต่หาลูกนี่ตกวันล่าหูล่าหูพระเตี้บนีพระจันอยู่พ่อล่างหูเข้ากับสมองแทกเงาะเป็นใครอยู่พ่อก็ไปแม่ก็ไปนี่ล่างหูล่าหูเช็ดวันเมือนกันนี่นะฮะนั่นมันลอกกันน่ะนี่ละซาบวาทิบาย้งไม่หึงไปได้มันจะเรื่องลงอ่ะเนี่ยไปดูดังมหิสีหกหมื่นสี่พันนา นอนที่นั่งออกว่าจาวะตันจากรคันทามรนาอุสติคันห้าเนาะนั่งก็งามเดินก็งามยิ้มแย่มจนใสเห็นอะไรก็ถูกใจถึงนั่งเมื่อนอนหลับแล้วหาความสวยคงงามไม่ได้ค่ายข่ายหิ้วไตน้ำลายเต็มปากน้ำหมากเต็มคอเตกากับตาเป็นงง เคตาเท่าเกดเตาเหมือนเคแล่ัาเน่าผีตายน้ำลายเต้นปากเตาเืนทีคตาขาดเคขัดช้านครับเอามาแล้วนะนายชันนอามาามาแล้วเคมากแก้าไปเห็นแมน้ำเงินสลาป้ิตุษาดูดาษสีกะไทยว่าข้าพระเจ้าจะได้เป็นผู้ดเจ้าโยงผมขึ้นไป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 เชีย่ยกบาาไปได้ในวันไปนียละบรรจารยคขีและขีสห้ามาปัจจุยานตัวว่าจึงเข้าอยู่บทเป็นผู้ดิเจ้าไปคมเหงคันห้าสูดชิบะวันความใจบางตัวจึงเ ก, ก, กาวคาถาก็ะสาโลกอาเคโตวาอุธากาโตวา เปซาตตัวก um um ุมพันโดวาอุมพันเดวายักขณวาแปลเป็นภาษาไทยอะอาคีไฟขโมยละพ่มเพิ่มเพิไกลเพิ่มนั่นอคกีแต่ไฟลูกกอไฟตากอไฟหูกอไฟดักรกอไฟเราเติมจากธาตุไฟคุณตาคุณยายหนอนั่นลูกกัเต้าน้ำลูกกอน้ำตากอดน้ำ แล้วก็สิ่น้ำห<อ>ีน้ำควายนะพนะน้ำเชื่อโบราไม่เกิดจากหิจ่จากควายนี่ละ่ะเป็นศาลเจ้ตวันพ่อก็ผีแม่ก็ผีชาพ่อบวชแม่บวชไม่เกิดโดดเกิดเขาเวลานี่ยายกาบวชนี่ละ่ะกุมพันดาวางกุมพันเดวานัากนโคนวาน ที่อหนึ่งหัวกระบอที่สองหางไข ท, ที่สามฆ่าชื่อสีมาฆ่าที่ห้ากเกี่ยวเจ้านายกับชือ น, น้องอุ้งชื่อเห่อะนักโคนอคอมันเาว่เมื่อจะตายไก่หลายพันปานหลา ย, ล, ยล้านถ้าอุ้งกินเที่ยวหาอาหารรักชื่ห้าบ่าว่าชื่อชาติละความเพียรเรื่อนหาอาหารเป็นพวดละโม เทศกระบวนันเพราะเป็นโลกีนิษฐ์สมเสียงกันไปมาแต่กันรักเชื่อสห์หนีไปอยู่เมืองพราณาสีพระองค์ก็เดินตามแ น, น่นั้ำเดรัลทละต้นไม้จะเกิดนั่นถ้าองค์ลมจากสวรรค์ต้นไม้ก็เกิดนเป็นพระสักธรรมะไม่ยอมพระสารแฝดไม่ประแปดไม่อุ้มทูศ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 ไปบูชาจนไม่ผุดขึ้นรัตนงโหติเจงเห็นพระสิทธาที่มันมานาโรโหมิข้าเดียที่อ้ายฤทายท่านเป็นอะไรยาตวหังที่นี้น้องสาวหรือคุณยายหาตมาไม่ใช่พระอินทร์เจ้าสิษถะลูกพระเจ้าสุดนา ญาณีครูมาขอเข้าเคสนั่นเรื่อยเรื่อบาตนั่นขอเข้าเคสนางซุกดาถวายเข้าสี่สุขก้อนพ้อ ง, งก็จัดตโลทําทั้งศี่ส ก, กานจึงได้ตามความปรารถนาอยากได้ลูกสีคนผู้ชายสองในยิงสองจึงได้เสดสามือผู้ดีจึงได้ เพื่อน น, นันนงชิวจดากัดเลยตามคำปัถนาะขา้าบริแข็กถินเขาอาหาปละปลเจยมาขาปลาเจยวชนะประเจยวนั่นมาตปเป็นภาษาไทยอาหารทั้งหลายเป็นสรวันมนุษย์ปลาถูตูเข้มข้าวหม้ต้มไก่ปลาข้าวใหญ่ถกควายปลาครอปูใหญ่สดซา มือข้าหมูมันสันเขลาสุกัสโตลูกขังสุกัสโตเอ็นซิยับชิโยเอ็นชิตาก็พุทธหูก็พุทลู่รังก็พุทธาก็พุทธกายก็ใจน่นเป็นผลิตาบุตรนั่นละจะเริ่มฌานที่หนึ่งสดามัคสุรผลลู่เอ็ ตัสอรสกิลมาคาผลู้ยเองอนาคาอัลหันตายอุปกรณ์ดอกบัวสิดอกดอกหนึ่งโสดดอกสองสกิลสกาดอกสามอนาคาดอก4อัลลฮันก็ดอกเดียววะว่าทำไรเชื่ออะไรนั่นเป็นตอย่างนี้ว่าดอกบัวพิ่แล้วเพิ่งจกน้นเล้วเมืขันไปในผ่านได้ ดอกวบวระทนพจนจนอยู่ในอาหารเตาอาหารตออาเตา อ, อ, อะไรเตาลังโขนน่ะตายเมืองน่านเข้าหีาน่นน่ะตายเมืองเข้าหีนอนน่ะมันออกมาได้ไ่ะมันจะมีพทโพิโถ่่ะไม่ใช่เข้าจะหี้วเขาน่ะมันเป็นอย่างนี้ล่ะบชดานะแสดงให้รู้นะนี่ล่ะถ้าบ่ฟอกใจบ่ได้บ่รักนี่แล้จะฟอกใจของเรา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 หาว่าพระศรีธละความเพียรไม่กลับหน่อ้เมื่อพระองค์ก็ริญเราลัทธิสหขยอมปันจวัคคนี้ลัทธิสห่าเพียงเราถ้าเพียงเราจะไม่ใช่จะตายขหีวิอยู่ดีกว่านั่นจะไม่ใช่จงนะจะเพียงนะถ้าเพียงก็ไม่ใช วันนัยาว์เยาวสิาว์ส ha ิข้าม้าวทิ้งข้ามข้าวทิงนะวังรธรราณังคาซามิตากรรควาเป็นพทเจ้านี่ธรรมสราณังคาซาิูกรรมควาเป็นผาธรรมสร้างคาซามิตากรรควาประสงค์นั่น เทวิายมพิพุทังตากรรมไสเป็นพระพูตเจา้าเจ้าเทวดายมปิตม ม, งมังค่ามิหูกรรมไสเป็นพระธรรมเทวดายมปิทังคังจามุกํารมาสสงโพนพระเจ้าพ่อสามพระเาแม่สามนั่งสามนะลักษนกั่นตาเทวดายมพุทธังตาลักษณ์นั่งหา้ามเทวทธเจ้า ต, ตั้งตัวอย่างตัวเสบีงยงลืมใเป็นามาเสรอตัาตักอยไปลืมใจในการเดินวเขาเมืม่อจบแล้วจะเป็นอะไหันนี่ภาสุาาดาบุตรโพธ์โตเป็นมากสดราผลพโพธิ์อทิ ญ, ญาบคุคคลเกิจดจากโพธโทโ้าส า, ากิมบุตทำโมเป็นมักสกิสคาผลเทมโทมกนิ ญ, ญาบคุคคลเกิดจากทำโม かかーーอนาขามักสร้างครัวเป็นหมักอนาขาพ้นสมุนอยุบุคคลก็จะสร้างครัอรหันตามักรูปะขาเป็นหมักอรหันตตาผ้นรปะขาตอยุบุคคลก็จะรปรขาลัทธเจ้าห้าได้เป็นพระอรหันต์เจ้าหาพระองค์สำนักเพื่อชดชอว่าโะอร้ายละพระโซระละนี่จะบอกเป็นฝรั่ง เจ็บในขาดซับเจิบก็เป็นผาโซดาเจ็ ต, ตาโนโปันาเจ็บไม่รักษาเจิตก็เป็นภาโดาเจิตออกบวชไม่ซีดหี้เจิตก็เป็นโสดาค่ะไม่ยากอะไรนะเ็บโดาไ่ใเจ็บในขาดซับเจิบเป็นผาโดาไม่รักษาทภาโซดาออกบวชไม่เยกะหิก็เป็นโสดาไม่คิค่ต้ก็เป็นโสดา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 ขาหน้าปารัมีิจดสอนเรื่องธรรมทานศีละปารัมมีสอนรักษาศีหาาาหลห้ากระถาคตกตระเนื้อสรรพบ้าละห้อไปเอาวามเณงสุตังเอกังสมายังรักวาลาสากเาเหเนลรวานเนราลาทะปนิวัตเตนะคูปนาสมัมเงย สมัยนั้นทูิษเจ้าจะได้ไปเมืองราชสคือ์ไปถึงที่นั่นแล้วรักสือสามถืองง้อมเบิดง้อมพร่อมเมียดวยกันออกภาวนาเสีงโอระกษปะริ์ขจารกษัะริ์ศีษากษัตริปะออรปะ้โ อ, อระดูสืนั่นพระประสันเดชเถิดพระาอระกษปะกับตาเสี5ห0ารูสาไฟว่าเธยทำอย่างไร ยังเก่าไว้บูชาไฟไปสวรรค์โอดีแล้วไฟเป็นของรอนดับไฟตปิพานเป็นของเย็นโอ้ข้าบ่รู้อ้ะอย่างนั้นเธอจะรับนี่พู้ถังสารนังขาซามิเอาใจรับเอาผาพูาทศเจ้าธรรมบังสังคาซามิเอาใจรับเอาผาธรรม สรางขังเจริญประสงผู้ที่ยังป็ิผูท่านรับพาพุทธผู้ที่ยัตเปรับประรรมผู้ที่ยังประสงค์ต่ที่ยังเป็นผู้ท่านตัที่ยัเก่าอก่างเข้าให้เป่เวลามืนี้ไม่ข่าสัตว์หีได้ที่านเวลามืนี้ไม่รักทรัพย์หนีได้ที่พาน เวลาม่ไ้ออกบทไม่เย็ดหีนะคะเนีก็ได้พ่านเะน่ยเวลาไมีได้คิดวันที่ผานกี่หลิพวานเป็ น, ราาน 1, อรพันห้าร้0องค์ห้าร้อยโทนั่นไขยาสตาอีกนั่นพระองค์ก็ให้สิชายใหญ่สอนอขยากระสตากับมหาเอา้าที้เด็นี่หันหล้ว น, น, น้อกจะลับิน พอทางเอาใจหลับเอาผ่าผู้ทาเจ้าทำมั่งส่งคันอย่างพี่อนะ้น่ะเวรมณีใบกระสับนิพพานเวลมณีบกระศับนิพพานเวรมณีทอใจจากหีเม่นน่ะไม่พานอ่ะนั่นเข้ายัดไปสึงเล่าหาใจฮีไม่จะได้นิพพานกันอีนั่นเป็นอย่างนั้นอีนี่เป็นอย่างนี้ไปหัวใจมัน ไอ้เร่นเข้าหินทออใจเอาจังเหกเป น, นิพพานอะเนื่ยธรรมะเรื่องมัขสาวเร่อไปหายนั่นนี่เดี๋ยไม่ได้จะเกิไปนิพ่าไเลนุ่งผ้าเหลืองเอาไขาเ่เรื่องข้าวหินมาบันตักไข่ออกอะปัญญาในเ้ื่องเราไป็นค่คนโง่ไงนี่ล่าได้พระอรหันห้าร้อยยังเล็ขยาคสตะโพธทธรรมรับเอาพรพุพธ ทำมังสว่างยากเหลือ่นาดพอทางรับเอาผ่าผูท้ทธเจ้าทำมั ง, ร, ง, มงนะรับประทานคำประสงค์ยากเหลือขนาดเรื่องมันนี่นะน้องไม่ขัดสนน์มิาทานอยู่ที่ใจนะเรื่มันี่ไม่รักทรัพย์นิมิทานอยู่ใจเรือมันีอย่าต็ดหีไหายนิมิทานอยู่ที่ใจเรื่องมันี่อย่าคิดโตด๊ะนิพนกินเรา้าในี่ ได้เป็นอัลฮัมพันหน้าร้อยเหนี่ล่ะมันได้เพราได้พอาะเราเสีมาบวชแต่เครียดไปใจเลอะหาเฮียหมมันไปกับใจหัวมันกมันเครียดดีเข้ากันาบัดมันเครียดบุรีปล่อยให้มันไปเห็นคลายเที่ควายเห็นหมัวที่ยงหมัวนั่นต้องด่ามันก็ฮักคอมันกัดโทษโทษหนึ่งว่าผูสูงศักดิ์ไปดิบ้านกับเอาล่ะ อีนายคนนี้งามอย่างได้นายคืออย่างนี้เฮ้ยเพระาะใจเราเองอ่ะปะด่าเขาไม่ได้ที่เหน ข, ของเราเองหายอดต้งฆ่าเราใครจะมาฆ่าเรารเรารลับเรากุ้นช่างกรล่นนี่หละว่าทาใจอุปสารคเราต้องด่าเราทรมานเราเิ็ ด, ดีกับเราคิดให้เราจะไ่ให้คนโสดเราคิดนักสาวใครจะไปเูืเอกคำเผาหนาไม่เป็อย่างนี้ละ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 เวลากระสปา ก, กตาบไหวพระเจ้าพุสารก็รู้ว่าอาจารย์ของเราเป็นศิษย์พระโคดจมาสุนุเจ้าจึงยกมือขึ้นห้างพุทธัจะธรรมมันจะทาัจ้จะพวกข้าทั้งหลายทั้งยิงทั้งทายถึงพระพุทธธรมรสงค์อัศวทักเก ป, ปนุเปตังตั้งต่วันนี้ต่อไปข้าจะสมพุทธะสง์ขอพุทธเจ้า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 ตยมสังจจระสงค์ตาตยตุุทังเอาใจรับอาผพภูตเจ้าตาตยมตุทมังเอาสลรพระธรรมตตุยมตระสงค์เวรละมณีไม่ขันี้คือนิพพานนยั่นเวรละมณีไม่หลักทรัพนี้ก็เป็น น, น, น, น, น, นิพพานะเวรมณีออกบวจะเส่ยหีมันเหมน นี่ก็เป็นพานเลยวละมันจะขีตัวนีานกิน น, น้นนะหลักดาักนนั่นใจฉันะเนอาหารเลยแต่ตอนเขาเสื่อหวยของเก่าแล้วกันชะุดชองอาสองไข่และากอ า, อ ง, ไนะอาองไข่เสืออาสงยเท่าแ ป, ปาลาแต่าสงไขมทัยังส่หน่อยจ้ะวะโสดาม พูโทรตัวมากสวรดาพโพูดเอรงยบุคคลเกิดจะพูดโทรเข้าใจของเราฟาสาตมวมากทำโมตัวมากสักสักคาพนทมเปนอไรเงียบุคคลเกิดจะทำโมเข้าใจของเราฟาหนาข่ามากสร้างคนตัวมากอนาขตพนสร้างคนอะไรเงี้ยบุคคลเกิดจะสร้างคนอหังารตามมากอุติขาบมาก อรหันตะผมขันผมเนี่ยโลกเวทน า, ทนาสาัญญาสาขายิ่งยานเอเ็งน ม, มันก็เป็นอย่างอยู่แล้วศีก็เป็นหีอยู่แล้วโลกเป็นสาขาผู้ชายก็ควายเสียกอยู่แล้วเต้นก็ได้ดอกนั่นใจนั่นเปลี่ยนได้ใจเป็นพระอรหันต์ขันก็เป็นหีมหมายจะตายพระอรหันต์นะ ไม่เห่บ่มีบ่ามาเห่เหม็นก็บของเก่าเห่ไม่ของเก่าไข้เครียดก็บของเก่มามันเติมก็ได้ตาก็บของเก่านะ